เจริญพรท่านพุทธบริษัทสาวที่ชนผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดมิถุนายนพุทธศักราชสองพห้า้สี่สิหกเป็นวันขึ้นแปดข้ามเดือนเจ็ดเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนสเป็นวันฟังธรรมเมื่อถึงเวลาเป็นวันเป็นวัน เป็นวันพระศรัทธายาดโยผู้มีจิตศรัทธาเริ่มใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมาที่วัดเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่สอนให้เราทำความดีละความชั่วและชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดด้วยการทำบุญทำทาน ด้วยการรักษาศีลด้วยการัำเทศคำธรรมและด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะนี่คือเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญที่เราทุกคนปรารถนากันสิ่งต่างๆทั้งดีและชั่วนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นอยู่กับตัวของเราเองเป็นสําคัญ เขาจะเจ้าทรงสแสดงไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งของตน mm. นะคาว่าเป็นที่พึ่งของตนก็หมายถึงว่าตนเป็นผู้สร้างบุญสร้างกรรมนั่นเองสร้างความสุขสร้างความทุกข์สร้างความเจริญสร้างความเสื่อม mm. ไม่มีผู้อื่นสามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับเราได้พระมีเพียงแต่ทำหน้าที่สอนเราบอกเราชี้ทางให้กับเรา ให้แสงสว่างกับเราแต่เราจะทำอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเราถ้าเราทำดีผลดีก็จะตามมาถ้าทำไม่ดีผลไม่ดีก็จะตามมาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงขึ้นกับตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นกับผู้หนึ่งผู้ใดถ้าเราปรารถนาะความสุขความเจริญ เราก็ต้องพยายามทำแต่สิ่งที่ดีที่งามถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่งามไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราก็ต้องเข้าหาพระาศาสนาพระาศาสนาเปรียบเหมือนกับโรงเรียนเวลาเรามาวัดเปรียบเหมือนกับเรามาโรงเรียนเพราะว่า เรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมาศาสดามีพระธรรมคําสอนเป็นเป็นหนังสือเป็นความรู้แล้วก็มีพระอริยสงสาวกเป็นผู้ช่วยพระบรมาศาสดาเป็นเป็นเป็นผู้ช่วยอบรมสั่งสอนพ ร, พระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงเสด็จดับขันไป บอนนิ้านไปเป็นเวลาอันยาวนานแล้ว 2,500 กวปีมาแล้วเมื่อหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระอริยสงสารกทั้งหลายที่จะทำหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์อบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนต่อไปเมื่อพุทธศาสนิกชนมาวัด จึงเป็นจึงถือว่ามาโรงเรียนมาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความรู้ที่ประเสริฐเป็นเหมือนแสงสว่างในที่มืดถ้าเราอยู่ในที่มืดไม่มีแสงสว่างเราจะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างก็จะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมา ปกติคนเราจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ยามตอนกลางวันแต่พอตกมืดถ้าเกิดไม่มีแสงไฟขึ้นมาก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาเพราะไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นพิศเป็นทยอยู่รอบข้างตัวเราหรือไม่นั่นเองแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเหมือนกับตอนกลางวันเรานักจะไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่ เพราะเราสามารถเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้เรารู้ว่ามีอะไรเป็นภัยกับเราหรือไม่ถ้ามีอะไรที่เป็นภัยเราก็สามารถหลบหลีบป้องกันตัวเราได้แต่เวลาเราอยู่ในที่มืดนั้นเราจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ถ้าเราไม่มีไฟเราก็จะต้องเกิดความหวาดระแวงขึ้นมาเป็นธรรมดา แต่ถ้าเรามีไฟสองรอบตัวเราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเราก็จะไม่มีความกลัวฉันใดชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าเรามีธรรมะแสงสว่างเป็นเครื่องนําพาชีวิตของเราไปเราก็จะมีเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตของเราไปได้ด้วยความมั่นคงด้วยความมั่นใจด้วยความไม่มีความหวาดกลัว แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะแสงสว่างนำพาไปเราก็จะต้องมีความหวาดกลัวเช่นพวกเราทั้งหลายมีความหวาดกลัวกันสิ่งที่เราหวาดกลัวนั้นกับเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวงกทั้งหลายท่านไม่มีความหวาดกลัวเพราะเรากับท่านต่างกันตรงที่ ในใจของท่านนั้นมีแสงสว่างแห่งธรรมอยู่ตลอดเวลาท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านรู้ว่าอะไรที่เป็นภัยและอะไรที่ไม่เป็นภัยและรู้วิธีกำจัดภัยเหล่านั้นรู้วิธีป้องกันตนเองไม่ให้ภัยทั้งหลายมาเห ย, ยียบย่ำจิตใจแต่พวกเรายังไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้ายังไม่เหมือนกับพระอรหรันตสาวกทั้งหลาย เพราะใจของพวกเรานั้นยังมืดบอดอยู่ใจของเรายังขาดธรรมะขาดแสงสว่างแห่งธรรมจึงสร้างความหวาดกลัวขึ้นมาภายในใจของเราไม่มีใครในสารานี้จะปฏิเสธได้ว่าตอนนั้นไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่ในจิตใจเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา เราไม่รู้ว่าสิ่งไหนเป็นภัยสิ่งไหนไม่เป็นภัยเราก็เลยเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอแล้วเราจะค่อยๆ ค, ค, ค, คลายความหวาดกลัวออกไปจากใจความหวาดกลัวที่พูดถึงนี้มีอะไรบ้างเรากลัวอะไรกันบ้าง ส่วนใหญ่เราก็กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกลัวความพัดพาดจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จากสิ่งที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยว่าโดยธรรมชาติของเขานั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราไม่รู้ เราก็หลงยึดติดกับธรรมชาตินั้นนั้นเช่นร่างกายของเราเราไม่ได้ศึกษาเพียงพอเราจึงไม่รู้ธรรมชาติที่แท้จริงของร่างกายของเราและของผู้อื่นว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราหันมาศึกษาดูธรรมชาติของร่างกายเราและของคนที่เรารักเราก็จะเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นปกติ ของร่างกายของเราเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการแก่เป็นธรรมดาย่อมมีการเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมมีการตายไปเป็นธรรมดาย่อมมีการคลากพัดคลากจากกันเป็นธรรมดานี่เป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันหรือเรารู้แต่รูปแบบจำไม่ได้คือเรามักจะเผลอ เมื่อเราเผลอเราก็ลืมความจริงอันนี้ไปเมื่อเราลืมความจริงอันนี้เราก็ยึดติดกับร่างกายอันนี้ยึดติดกับร่างกายของผู้อื่นเพราะเรายังมีความปรารถนาที่จะอาศัยร่างกายของเราและของผู้อื่นให้ความสุขกับเรานั่นเองเราอยากจะมีชีวิตไปอยู่ไปนา น, น, าน เพราะเราค <ot> ิด <tir> ว่าร่างกายของเรานี้ให้ความสุขกับเราแต่เราหารู้ไม่ว่าความสุขที่เราได้รับจากร่างกายอันนี้นั้นมันน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่เราได้รับจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นเราได้รับความสุขจากร่างกายของเรากับของคนอื่น ก็เวลาที่มันเป็นปกติมันสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอะไรแต่ยามที่ร่างกายนี้เกิดแปรปรวนขึ้นมาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความเกิดความแก่ความชราขึ้นมาหรือถึงแก่ความตายขึ้นมาในขณะนั้นเราก็จะต้องประสบความความทุกข์อย่างใหญ่หลวง แม้แต่ในขณะที่เรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเราก็ยังมีความรู้สึกกังวลมีความรู้สึกกลัวทุกครั้งเวลาเราได้ยินข่าวข่าวเรื่องโรคระบาดเกิดขึ้นเราก็จะต้องเกิดความกลัวขึ้นมา ท, ทันทีกลัวว่าโรคระบาดนั้นจะรามมาเห็นตัวเรามาทำลายร่างกายของเรา นั่นก็เป็นเพราะว่าเรายังมีความมืดบอดคือมีความหลงยึดติดอยู่กับร่างกายนี้อยู่คิดว่าร่างกายนี้จะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาคิดว่าเราจะอยู่ไปตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าเราขาดแสงสว่างแห่งธรรมคือธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรา จเจริญธรรมะอยู่เสมอเหมือนกับเป็นการจุดเทียนเวลาเทียนเราจุดถ้าเราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเทียนนั้นก็จะดับไปเมื่อมันไหมนมดไปถ้าเราไม่จุดเทียนต้นใหม่ขึ้นมาควาแสงสว่างมันก็หายไปความมืดมันก็จะกลับเข้ามาเมื่อมีความมืดกลับเข้ามามันก็จะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมา แต่ถ้าเราจุดเทียนอยู่อย่างสม่ำเสมอจุดไปไดเรื่อยๆดอกแรกที่เราจุดยังไม่ทันจะดับเราก็จุดดอกที่สองจุดดอกที่สามจุดต่อไปไเรื่อยๆถ้าเราจุดต่อไปไเรื่อยๆอย่างนี้รับรองได้ว่าแสงสว่างจะไม่หายไปถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมอยู่ภายในใจด้วยการเจริญธรรมะอยู่เรื่อยๆเช่นเจริญบท ีพพ ok ่พระพุทธเจ้าสงสอนให้เราเจริญอย่างสม่ำเสมอว่าเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ต้องมีการพัดรากจากกันเป็นธรรมดานี่เป็นธรรมะแสงสว่างที่จะช่วยคลายความวิตกคลายความกลัวให้กับเราเพราะว่าเมื่อเรารู้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับกับสภาพนั้นความกลัวนั้นมันก็จะหายไป เพราะเรารู้ว่าเราจะไปยึดไปติดกับร่างกายของเราไม่ได้หรือจะไปยึดติดกับร่างกายของคนอื่นก็ไม่ได้เพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งร่างกายของเราและของเขาก็จะต้องมีการเสื่อมสลายดับไปแต่ใจผู้ที่รู้มีธรรมะรักษาปกครองอยู่จะไม่หวั่นไหวจะไม่เศร้าโศกเสียใจ จะไม่หวาดกลัวเพราะใจจะรู้ว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าร่างกายนั้นมาจากดินน้ำหลงใบนั่นเองถ้าเราเอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติเช่นพยายามพิจารณาดูความเป็นไปความเป็นมาของร่างกายของเราว่ามาจากอะไร ร่างกายของเราถ้าไม่กินข้าวอาหารเข้าไปจ ะ, จะเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้หรือไม่ย่อมเป็นไปไม่ได้ร่างกายต้องมีอาหารมีน้ำมีอากาศมีลมหายใจถึงจ ะ, จะเจริญเติบโตถึงจะมีชีวิตอยู่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าร่างกายนั้นมาจากดินน้ำลมไฟนั่นเอง จึงต้องอาศัยดินน้ำลินไฟเข้ามาเป็นสิ่งที่คอยสนับสนุนคอยรักษาให้ร่างกายนี้อยู่ไปได้ตามอัตภาพของเขาแต่ในที่สุดไม่ช้าก็เร็วเมื่อธาตุเกิดความแตกสามขีคือดินน้ำลินไฟไม่ยอมอยู่รวมกันจะขอแยกทางกันก็เปรียบเหมือนกับคนสองคนเช่นสามีภรรยา เมื่อถึงเวลาที่ไม่อยากจะอยู่ร่วมกันเกิดแตกความสามัคคีกันก็ต้องแยกทางกันไปสามีก็ไปทางภรรยาก็ไปทางลูกเต้าก็ไปทางหนึ่งฉันใดร่างกายก็เป็นเช่นนั้นร่างกายเป็นที่รวมของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่มาในรูปของอาหารอาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปนั้นล้วนมาจากธาตุทั้งสี่นี้ทั้งสิ้น มาจากดินมาจากน้ a มาจากลมมาจากไฟเมื่อมาสู่ร่างกายเราก็แปลงสภาพเปลี่ยนรูปร่างลักษณะให้กลายเป็นอาการสามสิบสองเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอวัยวะต่างๆเป็นต้นเหล่านี้ก็มาจากอาหารแปลงมาเป็นอาการต่างๆเหล่านี้แล้วก็อยู่ไปจนกว่าจะถึงเวลาที่ จะแตกสามาขี่กันจะแยกทางกันเดินเมื่อถึงเวลาแยกทางกันเดินร่างกายนั้นก็หยุดหายใจไม่มีลมหายใจอาหารก็เข้าไปไม่ได้น้ำก็เข้าไปไม่ได้ก็มีแต่จะแยกกันออกไปน้ำก็จะระเหยไหลออกจากร่างกายทิ้งให้เหลือแต่ส่วนดินคือหนังกระดูกแห้งกรอบ เมื่อทิ้งไปนานๆก็จะผุจะเปื่อยจนกระทั่งกลับกลายกลายเป็ น, นดินมดนี่คือธรรมชาติของร่างกายของเราถ้าเราใช้เวลาศึกษาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราจะเริ่มเราจะเห็นว่าแท้จริงร่างกายนี้หามีตัวตนไม่ร่างกายนี้ก็เป็นเพียงแต่การมารวมกันของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองแต่ใจผู้มี ความมืดบอดคือขาดแสงสว่างแห่งธรรมเมื่อมาครอบครองร่างกายนี้เข้าก็เลยหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อเป็นเชนนั้นก็เกิดความอยากที่จะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆอยากจะให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไข้ไม่ตายซึ่งเป็นความอยาก ที่ฝืนความจริงความจริงนั่นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงมันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันคือมันจะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้เราก็จะไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายอันนี้เวลาร่างกายนี้เป็นอย่างไรเราก็รู้ตามความเป็นจริงขณะนี้ไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตาย ก็รู้ว่าไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายแต่ในขณะใดใเวลาใดถ้าเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่วิตกก็ไม่กลัวเพราะรู้ว่ามันก็เป็นปกติของร่างกายที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแล้วเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันก็มีทางเลือกอยู่สองทางคือหายหรือไม่หายหายมันก็แล้วไป หายมันก็เพื่อที่จะกลับไปเป็นใหม่อีกนั่นแหละไม่มีใครที่หายจากโรคแล้วจะหายไปตลอดเมื่อหายจากโรควันนี้ mm. เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาเป็นได้ใหม่ดังนั้นเมื่อหายเมื่อหายไปก็อย่าไปดีใจเมื่อหายไปก็บอกว่ามันหายเพื่อเพื่อที่มันจะกลับมาเป็นอีกก็ mm. มไม่ต้องไปดีใจหรือว่าถ้ามันไม่หายมันจะตายก็ไม่ต้องไปตกใจก็ไม่ต้องไปกลัว ก็เพราะว่ามันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วมันเป็นเรื่องของมันมันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าตราบใดใจของเราไม่ไปยึดไปติดไม่ต้องการให้มันเป็นไปตามความต้องการของใจแล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะไม่เดือดร้อนใจของเราจะไม่ทุกข์ใจของเราจะไม่ทุกขไก์ไม่เดือดร้อนได้ ก็ต่อเมื่อเราศึกษาดูธรรมชาติของร่างกายนี้อย่างสม่ำเสมอการได้ยินได้ฟังอย่างเช่นในวันนี้เพียงครั้งเดียวนั้นยังไม่พอเพียงเพราะถ้าเราไม่นําไปอบรมสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะิืมพอออกจากศาลานี้ไปเราก็จะิืมเมื่อลืมเราก็จะกลับไปยึดไปติดไปอยากให้ร่างกายนี้ เป็นไปตามความต้องการของเราเองซึ่งมันก็จะสวนกับความจริงพอเวลาเกิดรู้สึกว่าร่างกายจะเจ็บจะตายขึ้นมาก็ต้องเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องพยายามเจริญทาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานี้อย่างสม่ำเสมอ ถ้าเราสามารถจเจริญได้ตลอดเวลาทั้งวันเลยได้จะยิ่นดีใหญ่เพราะเปรียบเหมือนกับการได้จุดเทียนเป็นร้อย้อ ย, ร, อยร้อยดวงเลยทีเดียวเมื่อมีเทียนจุดไปเยอะๆมันก็จะมีแสงสว่างทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเหมือนกับเป็นเวลากลางวันเมื่อเปนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะไม่มีความวิตกไม่มีความหวาดกลัว เพราะเราจะไม่ไปยึดไปติดเพราะสิ่งที่เป็นภัยที่แท้จริงนั้นหาใช่เป็นเพราะความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่สิ่งที่เป็นภัยนั้นเกิดจากความอยากของเราต่าหาใจของเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้ตัวนี้ต่หาที่มันเป็นพิษเป็นภยัยแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นเพราะเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม แต่ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วเราพิจารณาดาูดูธรรมชาติของร่างกายจนเห็นอย่างท่องแท้ว่าจะเป็นไปอย่างอื่นไ ม, ไม่ได้เลยจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายอย่า ง, างแน่นอนเมื่อเห็นดังนั้นก็ไม่ไปหวังไม่ไปอยาก ใ, ให้มันเป็นไปอย่างอื่นเมื่อไม่ได้ไปหวังไม่ได้ไรอยากให้มันเป็นไปอย่างอื่นความวิตกความกลัว ความกังวลต่างๆก็จะหายไปจากใจทันทีเราก็จะเริ่มเห็นทันทีเลยว่าภัยที่แท้จริงนั้นไม่ใช่อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายแต่ภัยที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความอยากอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายท่างหากพอเราตัดไอ้ตัวนี้ออกไปได้ละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เท่านั้น ใจก็จะดิ่งลงสู่ความสงบทันทีเมื่อจิตดิ่งลงสู่ความสงบจิตจะมีความมีความสุขมีความ ม, วา ม, มีความรู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่าไม่มีความว้าวุ่นขุ่นหัวหลงเหลืออยู่เลยนี่แหละคือความอัศจรรย์ของธรรมะธรรสอนของพระพุทธเจ้าถ้าลองเราได้ปรองได้แล้วใจมันจะปล่อยเมื่อใจมันปล่อยแล้วมันจะสบาย อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายมันจะไม่เดือดร้อนเลยเราลองเปรียบเทียบดูระหว่างสิ่งที่เรายึดติดกับสิ่งที่เราไม่ยึดติดเราจะมีความรู้สึกแตกต่างกันสิ่งที่เรายึดติดนั้นเราจะมีทั้งความรักมีทั้งความกังวลแต่สิ่งที่เราไม่ยึดติดเรากลับไม่มีความรักไม่มีความกังวลเช่นสมบัติของผู้อื่นหรือร่างกายของคนอื่นเวลาจะเป็นอะไร เราจะไม่ค่อยเดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์กับมันเท่าไหร่นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไรอยากกับเขานั่นเองเราไม่ได้ไรอยากให้เขาอยู่ไปนานๆให้เขาไม่เจ็บไม่ไม่แก่ไม่ตายเป็นต้นเมื่อเราไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่กับสิ่งของเหล่านั้นสิ่งของเหล่านั้นก็ไม่มีปัญหากับใจเราสิ่งของเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรใจของเราก็ไม่เดือดร้อน แต่สิ่งของอันใดที่ใจของเราไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องจนจิตของเรานั้นสามารถปรงอนิจจ์ทุกขังอนัตตาได้ คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเสื่อมสลายหมดไปถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยวางไม่ไปอยากให้มันเป็นไปเป็นอย่างอื่นมันจะแก่ก็ให้มันแก่จะเจ็บก็ให้มันเจ็บมันจะตายก็ให้มันตายเพราะมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้นั่นเองมันอยู่เหนือความสามารถของเรา เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถไปบังคับควบคุมฝนฟ้าอากาศได้ฝนจะตกแดดจะออกเราจะไปหยาบไม่ได้เราจะไม่อยากกันเกี่ยวกับเรื่องฝนเรื่องฟ้าฝนฟ้าจะตกหรือไม่ตกเราก็ปล่อยให้ฝนฟ้าเป็นไปตามเรื่องของเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ไปทุกข์ไปกังวลไปวุ่นวายกับเรื่องของฝนฟ้า อ่างใดเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นบุคคลต่างๆเขาก็เป็นเหมือนกับฝนกับฟ้านี่แหละเขาไม่เาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไปได้ตลอดเราอาจจะควบคุมบังคับดูแลรักษาได้เป็นบางครั้งบางคราวบางเวลาแต่เราไม่สามารถที่จะ กวบคุม บ, บังคับดูแลรักษาให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ตลอดไปอย่างเช่นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เรารักก็เป็นเช่นนั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะ ต, ต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปในที่สุดนี่เป็นเรื่องปกติของสังขารร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่จะน่าวิตกน่ากลัวเลย ถ้าใจมีแสงสว่างแห่งธรรมใจเข้าใจความจริงอันนี้แล้วแล้วก็ปล่อยวางคือไม่ไปหวังไม่ไปยึดไปติดกับเขาเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเท mm hmm. ่านั้นใจของเราเพอจะสบายอย่างเช่นเดียวกับฝนฟ้าอากาศเราก็ไม่ได้ไปหวังไปอยากอะไรกับฝนฟ้าอากาศจะตกเราก็ไม่เดือดร้อน จะไม่ตกเราก็ไม่ถูกร้อนนี่แหละคือเรื่องของธรรมะธรรมะนี่จะสอนให้เราเห็นว่าอะไรเป็นพิษเป็นภัยที่แท้จริงอะไรที่ไม่ใช่เป็นพิษเป็นภัยแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะเราจะเห็นกับตาลปัดเราจะเห็นตรงกันข้ามกันเช่นเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่เป็นภัยว่าว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ เห็นเห็นสิ่งที่ไม่เป็นภัยว่าเป็นพิษเป็นพัยนะเช่นเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นพิษเป็นภัยกับเราแต่กับเห็นว่าความอยากเป็นขุนกับเราเราจึงอยากกันเหลือเกินทุกๆคนนี้เกิดมามีความอยากด้วยกันทั้งนั้นอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีอยากจะมีครอบครัวที่ดี อยากจะมีทรัพย์มีสมบัติอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอยากจะอยู่ไปตลอดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือสิ่งที่เราเห็นเป็นคุณเราจึงอยากกันนับอยากกันหนาแต่เราหารู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราอยากในสิ่งเหล่านี้เรากําลังสร้างความทุกข์อันใหญ่หลวงให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราเพราะเมื่อสิ่งที่เราอยากมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการ เราก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจรออ้รองห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หรับถึงแม้เรายังจะมีเรายังมีสมบัติมีอะไรเหลืออยู่อีกมากมายก่ยกองก็ตามแต่ถ้าเราเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารักที่เราชอบเป็นอย่างยิ่งไปเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีความหมายเหลืออยู่เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปทำไม นี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นจากความอยากของเราแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกันนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยตรงมันเราไม่เคยต่อสู้กับความอยากเราปล่อยให้ความอยากมีอํานาจครอบงำเราเราเลยหนงอยู่กับความอยากเราทุกข์ขนาดไหนเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเรากำลังทุกข์อยู่แต่ถ้าเราได้เข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอ แล้วนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปอบรมสั่งสอนจิตใจของเราแล้วเอาไปต่อสู้กับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยคือความอยากที่มีอยู่ภายในใจของเราจนเราสามารถลดละความอยากได้แล้วเราจะเริ่มเห็นความสุขความสงบที่จะเกิดขึ้นมาภายในใจเราจะเริ่มเห็นคุณของธรรมะแสงสว่าง ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันเพราะการปฏิบัติธรรมนี่แหละจะเป็นวิธีที่จะไปทําลายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจของเรานั่นก็คือความอยากต่างๆเมื่อความอยากต่างๆนั้นมันเบาบางลงไปความทุกข์ความกังวลใจก็จะเบาบางตามลงไปด้วยเราจะเริ่มเห็นความสุข ว่ามันอยู่ในใจของเรามันอยู่ในการที่ไม่มีความอยากถึงแม้ร่างกายของเราจะแก่จะเจ็บไข้หรือจะตายถ้าใจของเราไม่ได้มีความอยากอยู่กับร่างกายแล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายกับความเป็นไปของร่างกายร่างกายจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องของเขา เพราะว่าใจของเราได้ตัดความอยากตัดความผูกพันกับร่างกายนั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่รับใจก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราอย่าไปหลงประเด็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ร่างกายสิ่งที่สำคัญคือใจของเราเพราะใจของเราเป็นผู้เป็นผู้รับความสุขรับความทุกข์ เป็นผู้สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายร่างกาย น, นี้ไม่มีความรู้ไม่สามารถรับรู้เรื่องของความสุขของความทุกข์ได้ร่างกาย น, นี้เป็นเหมือนกับวัตถุชิ้นหนึ่งวัตถุนั้นเขาไม่รู้หร ει. อกเช่นเราเอาค้อนไปทุบตะปูตะปู